อะไรอ ย, อ, อ, ยอย่างนั้นมันไม่ยอมปล่อยวางมันคืบว่าตายเราตายเผาเกี่ยวกับสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้มันจะมีความหมายไปต่างๆนาน า, านั้นการพิจารณาตายจิงควรใช้ิจารณาแบบทใจในจิตอย่าพากันหลักการนอนจนเกินเกจเกินเวลา ในต่างหน้าต่างตาที่เจรนาและประพื่อปฏิบัติเพื่อจิตใจของตนจะรู้เห็นเป็นจริงตามคาแนะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าแลวจะเชื่อจะยอมใส่กว่าความสุขความสบายของใจเป็นอย่างไรเพราะเราเห็นเราเป็นในตัวของเราโดยไม่มีใครมาบังคับบัญชาบอกให้เชื่อ ก่เชื่อเพราะความเห็นความเป็นอมันมาจากชัดเจนอยู่ในตัวถ้าไม่อย่างนั้นพอจะเกิดสงสัยลังเลใจเรื่อยไปไปอยู่สถานที่นั้นบาตรดีบาตไปเจอคนนั้นแต่สังเกตอรหัสอะรหันโดยที่นั้นและที่นั้นนักปฏิบัติท่านดีเด่นทุกท่านทุกองค์แต่เราเองไปก่อเชื่ปฏิบัติก่อปฏิบัติอย่างเก่าของเรา คือแม้เอาทานให้ไปอยู่ที่ไหนก็อยากจะให้จิตมันดีวิเศษขึ้นเองแต่ควางภาคความเพียรปฏิปัญญาการเสาะร้ายที่เดือดร้อหาไหม่มีจะไปสถานที่ใดดีขนาดไหนมันกดตัวของเรากลมเกลียวพอเราไปต่ึกปฏิบัติถ้าหากเราไปต่อพืชปฏิบัติในสถานที่นั้นสงบสงบัดสถานที่นั้นวินฟ้าอากาศอานวยร่างกาย ตัวเปรย์เปรย์ไข่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่ว่าสถานที่ใดย่อมเป็นไปเกิดความสุขความสบายได้อย่าไปถือว่าสถานที่นั้นมันดีเราไปแล้วมันจะดีถ้าหากเราไปประพฤติปฏิบัติทัวมันก็ไม่ดีฮะให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพราะวัดของเราสถานที่นี้ความสงบสงัดพอพอเป็นไปยินฟ้าอาจาร ก็ไม่ไหจะหนักหน่วงเท่าไรการทําความผาดความเพีย้ยนไม่ว่ากลางวันกลางคืนพอทําได้ถนนท้องทางจมกลมมีหลุมมีบ่อม่หับมีตอ่อจะเดินเท่าไรก็ได้ร่มเงากลางวันพอพออาศัยแล้วมันขัดข้องอะไรที่จิตใจใไม่เต็มใจมันขัดข้องเพราะการเราไม่ทำหรือมันขัดข้องจากอะไร มันที่ทิจพิจารณาตรวจตาจิตใจของตนเมื่อเห็นความผาดข้องความเสียหายด้านไหนจิตใจจึงไม่เป็นไปเสดีเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิชาริมุต์ก็ให้แกไขปมดอดส่วนนั้นเร่งความผาความเพี้ยนเร่งความจิตทําใจของตนให้ดีเด่นขึ้นเราทําขนาดนี้ยังไม่เพียงพอต่อทำ ความสบายยังไม่เพียงพอต่อที่เดือดตันหาที่เดือดตันหาจานตเจ้าเข้าใจพวกเราเราจะทํามากกว่านี้เทิร์นเข้าไปเหมือนกันกับ <c oughs> เรารับทานี้เราดึงเราดึงขนาดนี้ยังไม่อิ่มมันจะดึงมากเข้าไปความอิ่มจะปรากฏขึ้นมีการจะเรีปฏิบัติด้านจิตใจก็ทํานองเดียวกันในเรื่องความขาดความเพียงเท่เา อย่าไปคิดว่าความเพียรมันจะสะาเกินไปมันจะมากเกินไปอย่าไปสงสัยโลกอันนี้ไม่มีอะไรที่น่าสงสัยมีแต่เกิดแต่ตายอย่างนี้วุ่นวายคัดคล้องกันอย่อย่างนี้ไม่มีอะไรดีวิเศษคนที่ติดข้องคนติดสิ้นสมหรือว่าดีวิเศษก็คือคนหลงคนที่ไมหลงคนรู้ ท่านไม่ยอมดูเกิดตายต่อไปเพราะฉะนั้นเพิ่งของเสียตัญหามาณที่สิเขาไมอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่มีอะไรที่จะมีความเยือเย็นเจนสุขสำหรับการเกิดการตายในโลกเป็นอยู่อย่างที่อาดีตเราจะไม่เห็นมันก็เป็นอยู่อย่างมีเกิดมีตายมีสุขมีทุกมี เหมือมีสวรรค์มันเพียงแฉ่นี่เราจะิดตายเกิดตายเกิดไปอีกกี่ผลกี่พวกี่ฉากมันก็เป็นอยู่อย่างจะมีอะไรตรงไหนถ้าเราไม่ําเวลานี้เราไปทําฉากนี้ภพนี้จะไปทําฉากไหนภบไหนโอวาททำต่างสอนของพุศลเจ้าสอนไว้ท่านก็บอกว่าเป็นศาสตกระดางแทนเท่าอกเมื่อไปฟังโอวาททำต่างสอนหรือศึกษาทำจาก โอวาทของท่านเรายังไม่เชื่อไม่เดือดส่ยังไม่ตั้งใจปฏิบัติจะไปฟางต่อพระโอวาทของท่านก็เหมือนกันหากเราไม่ทํำเราคงจะไม่เห็นหนูเราต้องทําจากตัวของเราเองทางการที่นิจเจรนานะและแน่สอนตัวเพราะการมาปฏิบัติเป็นโชคดีของพวกเราคนอื่น เป็นหมื่นเป็นแสนคือต้อลุ่มหลงอยู่ในโลกมากมายหลายหลวงเรามีโชคดีมีโอกาสได้มาบวชเป็นพระเป็นเนมเป็นนักปฏิบัติเรารีบเร่งคว้านควายจิตพิจารณาตั้งศรัทธาความเชื่อให้มั่นเข้าตั้งสติวิริยะความเทียนให้นักเข้าสติอย่าทรงอย่าปล่อยในสถานที่อื่พิจารณา เปืี่ยนกายเลใจของตนสมาธิความหนักแน่นของใจจะเกิดขึ้นปัญญาควาำรู้ในสิ่นทั่วไปจะตากฏขึ้นวิมุตติความหลุดออกไปจากโลกจากสงสารจากสมมติทั่วไปเป็นอย่างไรจะประทัศใจของตนยาวิมุตติยาลักษณะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วความญาณความรู้ว่าจิตหลุดพ้น จะไปทักขึ้นเปิดขึ้นแล้วจะไม่มีอะไรสงสัยในการตกวจเปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจา้จาแต่นั้นจึงขออาราธนาทุกท่านหมั่นทิ้พิจารตรวจตาและแนะนคนเองแล้วตัางหน้าตั้งตาเพือปฏิบัติในดีนิเศษขึ้นในอวสารการอธิบายธรรมานี้ขอคุณพระศรีราาัตนัใจง อุ่มความฟวงปกนักปฏิบัติให้ท่ากันเจริญในคำวินัยและเต็มไปเสียวิมุตติโดยกันทุกคนวหนาเลยเดียวมุติสมเนี่ยมีมิ่งอยู่ในตั้มแต่จิตใจที่แย่หน้าได้ไปถอดมาใช้คนนีใจอยบอกสอนคนอื่นแต่คนนี้ข้าไม่อยากไปเลย สิ่งที่เป็นแค่พระองค์เองโอ้ยะแย่าเลนใจหลาาแตมีลูกชานะดีหน้าโคตรขึ้นไล่ไล่เล่นเขาคนเล่าถ่นนี้ทุกแย่หงสอนคนอย่างี้ตุ๊ดลูชาน่าลูกช้าน่าตุดต้นมีดโยาก เมื่อตัวผ c ้คนนั้นเนี่ยไม่ได้ส็ดแสงไฟที่แยมบานหมายถึงวิสีแต่ปีกันยะเหยียบแยมโดยแล้วแตวนี้ผูคนผู้ใดไปไหนแน่วเนี่ยสอนแต่ลทิศทางอยู่มีเหล่าเขาที่ใจเาทีใจหน้นะครับปีกันยะพ่อม้าอาลันาแสดงแทบตีนส้นหรืวเรื่องฐานและเมต มีข้ามลากไข่ปาชนะยจกใจลากเสือไปมีข้ามฟุกมรุณน้าหนาข้ามแจกไข่ลากนั่นคนจัดฟุกของครอมไม่มีหารมีตีตาคือ้ัวที่ตีบ้านน้ำใดคนใส่แจกฟุกจะค่อยย่นดูน้ำ เดือดชาโบ้ได้บ้าโบ้ได้รอนโบได้ไฟกันได้ตามที่เดือดเข้ามาแยกย้อมแยกนั่นแยกนี่ละผมเจอหน้าญาติแฟนร้อนรับเข้ามันจะไปเก่าตอนนี้มีข้าวเขาไปเร่งนี้ยุ่งว่าต่นะอนข้าวอยี่ไปเก่าไปเรื่องนียู แต่ว่าเราเป็นท่ามจะเลี้ยวท่ามมีหน้าที่เรามันยัดไอย่เป็นกระดาษแนดเกี่ท่าตามกีมัฝนอยู่นขันล้ฝน้องส่อนอยู่แล้วพวกนี้จะเห็นแตดีี่เด็ก้เหรออางนีที่จะยหน้าเขาไปลใจจอ เหนื่อยนะจำดัาย่างได้แต่ยเหน่นะจำดับยางนะเอาเนื่อยเรไปแกเนื่อยต้องถึงนีเนื้อาไมดจิตว่างแล้วเป็นเหนื่อยเกินใจอะไรอยนี้ดับใกล้กับขอที่ับมีกันยากถ้าคนอยู่เป็นช้อนให่ห้าบรดออมาทำละตาตาใส่ก้อน ว่าได้ว่าเห็นไรว่ามัุกน่ก็เป็นมนุษย์า้นั่งีเขา่กรราอยู่แล้ว้นีอไสพเสร็ที่เกิดก็ปัใจนนี้วันเย็ย่งนี้เขางงเกงจัยจิได้ิมได้ี่เขา้เยดจะนเยียดเพื่อนงหาเาเนุ่เยอะเขาจุกหนุ แก่ิ้พูดใเก่ามีเก่าคนเ็หาโกบคริสต์เกิดมาเป็นต้นเสะาจริงๆนะแต่รถเต้าใหญ่ใหญนักปีแยน่านักปีหลุดหลังทาวเป็นต้นปีในตามตาลมขนาดนนัีน่าหวานน้องแต่ใหะได้ใหงเป็นอ่อนนอนจะทำอะไรจะนอนได้ นอนรัขนอนฟังก็ได้นอนเงี้ยดีเงี้ n ไลก็ได้นอนเป็นบาทเป็นบุญก็ได้อย่างน้ครับคืออนก็สางได้เาเป็นว่านอนหอมแกหน้าอัดห่ำใหญ่ก็มีการามดันยุดม้อนโอนข้าตาไม่าแต้าดี้าดีแค่วันดีอันใดยันแบบสุมาวะได้ยันแบบนอนแบบสุมาวะได้ยันนอนแบบหาขาห้ามอนี่ ความอดทนมันก็สู่เขาไวได้จ้าเขาวได้แล้วมูกเเขาทีหนึ่มันจะสริมันธ์นึงเขามันแค่จะไหลไปทนอยงนี้ดังซื้อเหมซื้อเหมือส้ซื้อึระเบิดนี่ตายตัวายว่า่ี่ียวแน่ะกอว่าเาไปเจอ ขาวดีภ so, ูเขาเท่านั้นคริงเนีเนี่ยเ้ไมาจวิขาวเต็มภ <darkness> ูเาคือที่นี่อาคมประจําใจใส่วนตีแย่หน้าหรือกองหนีภูเขาโยแต่อาจจะเป็นอาจจะเป็นคนดีก็ถูกเท่านั้นแต่จะว่ากันักคนตัวคนตัวอีกที่เปนอย่าเลยคดอ มันในตอนนี้เก็บของว่าเนี่ยรถต้องเก็บองเก็บอเนอนนี้ร้ายกลองายามนี่แจนาพี่ส่วนมีคนที่แจน่าคนพี่แจน่าเป็นดาบเห็นทำได้คนอยู่กมี่จจนาพีจน่านารสิ้นเด็ันทหาม่้น เตี่ยขั้นตีทวนเพราะว่ามันมันมันสูงมีความสวยอีอย่างหนงหละร่มดูหลายอยเหนือก็ต้องเป็นพ่อรูปความประโยชน์ตองมเป็นต้าลาประโยชน์ไงแ่ถ้าใส่ในใจเหนมว่าจะเป็นได้แย่แต่แก็จะพูดแตอยราใส่ไม่พ่อรูป ไอ้ความเปลี่ยนนี่คือได้ใจโมเสกโมเสกโมห่นชี้แต่ม่ใช่โมหุ่นชีก็ลูกก็จำแม่นั่นแหละโมเสกชี้เสกเท่านี้นะโมเสกชี้เสกโค้งบกนี่ม่คิดได้ใจทุกตัวเองตัวเต้องขวามืองานให่ๆนี่ถือยิงเขาดักถือไปเตะไปดักถือเตะดัเจรียบนกควงถูกควงแจกไ แมาแตงดูของวัย่าเนี่ยายไปแล้วยได้น่แล้วตัวกระจกต้น <metros> ท <mal> <c ười> <m els> ี่ห้องอยู่แล้วเหไหมหยุดได้อันเดียวเจ้ตัวไปที่หยุดอ้าวไม่ขาดแล้วว่าเข้าวันไหนขาแตงเงินเงินหู้ตงเงินยืมเงิน แ o งขาวไอยาไนี่เพ่อนใจนี่่นนันเป็นเช่นเนโง่เป็ช่นี้ผมคิดว่าอ่านแต่เป็นเชนนเปล่ยนเหมือนเล่เป็นเงินหู้วกดแอสซีจันเกิดซ่อนเสืเหม่อนเนี้ยเกิดเขาเสืออะไรแบบนี้ไนอนบนฐานผู้ยิ่ สอนแหนะพี say, ่สอนเนื say, ่ย so, ต้ตายล้วกตายแล้ว็องส้นใหญ่แล้วเนื้อเส้นใหญ่แย่เหม่อนใจเด็กยก็เมไไมหอมว่เอ็ดบ้บนมนันไปไ้ยนีเหนือย้นี่ยโซ่งน เหมอน้ ìn, nın, ้เ like ้าเหิ้มอหน้า้ัน้ลแล้วเป็นอันด้หายเหมืนมันมาเห็นเห็นอหงเป็นไตอง้อแล้วนบบอกว่าอนันก็ีู้ไสลดอันเป็น้เชี่ยวชา ปถ้าแข็งแรงก็ดิมทำบริเวณนั้นให้ไม่ใช้จาะกรอบหอมเป็นเป็นไปดดยอดี่เนทไป่ง่าใจไม่เคยแพ้ที่เจ็บเจือใเขาเันฟันหลาย เขาพาไปพวกน้องเนี y y ่ยโอ้โหปะเพาะสงสายังบอกว่าม่ได้ช่วยเห็นเขาสาเห็นเขาดีตัวดีตัวดีใจยังปวดต่อปวดยังไป แต่ว่าเอาที no ่ที่เป็นสายเท่านั้นไ่ร้ว่าเหงอคนจะใชต้นก็แต่นีเปลี่ยนได้ละเหมือนตเตี้ยตัวเตอยู่ก็หัดเด็กก็หัดใช้ก็เด็กไม่เชือเลยเชื่แน่นั่นนะจุดหน้าเป็นมัเป็นหน้าที่ห้องมันสุดร่ามุ เราสูบด no ้วยในไหนว่าอย่างสูะสกปรกค e อการซื้อปลอมดีเลี่ยมคอเราไปที่รัฐอยู่เห็ a เลี่ยมกันเยอะไปแย่เป็นแม่ทะเลท้อ r เลี้ยงท้อ c ผิดความไม่ชอบจิตผ่อนผอมท้องหกช่องไกันก็ยังโ เดวโลก็เวาโล่ไม yep ่ีเดว่โล่คนเนเดว่โล่ไม่ดีโล่เดาไปใส่รองเท้าเรือติดตเข้าแว่นไปเฟสเสเฟสเหยื่อมาหน้าดูใหญ่เตี้ยสุดไงั้งตัวเนี่ยต้องการตากล้ามต้องตัวี่ยฉันต้องเจาะพวตัวม่วงไปละ กวนตีไปหลุมโยนแกะคลอดคิดเป็นไปย่างน่ะสมมติสมัยสี่ย่างมาคือชั้นอบรมคือเปลวเทาเหนือหน่อออกไปตังขั้นได้ใสเเเป็นสื่เป็นข้อมีข้อเยนยงน่ะมอเห็นมเ็มองเหนเป็นโซ่ได้ะ ยังทำพลาดโมเดลใจแย่หายใจไม่ดีหล้เียั้นรถก็แล้วทั้งข้ามรถไกหเขาก็มวนเือต้้าต้นเนี่ย ไม่แข็งง่า็เฟิดกับเพ่อนดีที่จน้าีว่าเป็นทั้งคนเหมือนกันจ่าอเท่ากรณายวัตายใจนึกว่เท่าให้เท่าไปได้ไหมคือไหลุมไม่หลงหรอกคือไม่เท่าเหมืนก เอา ในน้าของเสือกับเพื่เนี่ยสิงโตผ้ันออกันดก้ป่นกระมียวน้นตโได้ดี เราตกลงกันว่าวันต่อวันวันต่อวันตลอดไปจะเป็นยังไงจะทำหน้ยัง ช้อนนุ่มตุ๊ดเด็กยังเรียนยังมีฐานงนไรเที่ยนนู้ใหม่หรืะไวยไข่มากฝั่งซ้ายนะกินนิดโยนใส่ใมั้ยรวยงานไรเลี้ยงไก่โดารเลี้ยงรขาอยู่คนสุดแบบข้างเลยสบาย ยิ่ m เข้ามาด่าก็จะสบายแต่เข้าดีเข้ามาด่าแล้วอย่างอื่นผมก็กไวมีาใจเ้าดีแต่รายังเหมือนไม่รู้จักยัแจงใจอย่า่นี้ว่าดีเศษอะไรแจใจว่าจใจเพน้วใจเท่านั้น สอนขยายใจข้าม่อไวนั่นแหละปเพขนึ่งประโยดน์พอไปถึงบนตายเนี่ยนั่นแ่นวายที่ทำพาดวัวเนี่ยทำจำอยากห เขาแนะนำ่าจะทำเ็นเขาว่ายาที่ยนเลยใ่มเะฉะวั้นเ็อะไรอันนั้นหมมากหอมมากดีมากเป็นเหตุจำเป็นอ่ก็คือมดาว่หมนะท่านผู้ใดโยกของกจริงแล้วเนี่ยถ้าอยู่เพราะอาเห็นมาใัองแบบ ไม่ใช like, ่เขาต้องจำเป็นติดต่ออาศัยค t ามหนาหลายใช่ช่แต่เราเื่องนี้เป็นความผิดทีามลเข่าที่เรื่องศิวุนว่า้องรับได้ความหนาหลายจำเป็นไม่รับไว้ใส่ที่เรื่องศิวิขาดจำเป็นพอใส่ไม่เสรต้องติดอาศัยความยืดศีรษะไ้ ยิ้มข้อมาาือถึงแล้วลัต่งาะว่าแต่ง้ามแ่งยิ้าวลาอดทวะแ่อยากจะคุนึกสิใจตองยิ้มข้มือตี่างอะไรนั่ง น, นิ่งเยอะจตโมทิฟเลยจิตโมทิฟสาว ไปเหยียดตเดียวตลอดเ่น้าเียนหน้าร่างกายเนี่ยมีวงเข้าเป็นเข้าไปไหนท่าเสริมหอยเขาัใครเขาเด็กเฮะสุขภาพเนี่ยานาดหน้าก็เราบอกเอามล้อกเใจไากได้เอาวัคซีนทหลใส่ตามเดอ เงน้ยนะอะไรสุดที่มะเนี้ยแล้เน้ยหลงเท่าไปเร็ถึงขัต่างแต่ใจสุด้ายมันหดแขนหุดขาเลยมะใส่กว่าฟูมว่าฟูนิดนึงนั่นข้าวหน้าเดือยลงแบนาดนั้นแล้วหลงไหลไปได้ถที่สุดมันนี่มีความชัวติดฝังไว้มันมาตาโขดขั้นต่างจะสายม้วตรกางนั่นนัต้ด ไิดไม่ใส่ที่เขาว่างูกมามาที่ที่เาว่างผ่านมแทงห้องพเขาต้องต่าไปจำไม่ีนั่นต่อแสดงต่างที่นอกก็มีหุ่ที่ต่างก็มีวัดปรากฏไม่ติดไม่ใส่แตนที่ียสาย่คัว น้องต่างวัยอ n ไรก็นั่งเนี่ยพอตั้งใจปกติธรรมดามันใส่ดอมาระกันตั้งนับนมันจะอยู่ตตดามวนี่จะเอนมา่เอาความดีสุดท้ายได้ได้ความดีนี่เปนเงื่อนมายว่าจล้างวยหายไปที่ตังหอนได้นอเยเนี่ยรับเย็นอเียวเท่วในยมพรุ่งคิดึง้รวมมืล หอยหอยอย่างเพื่นอุตเยร์ต้องเป็นภาคุณกพนนี้เพราะน็นันไหลานังเราะนั่งบืนก็ถ้าน่งเยนแ่นักนี่หลเลยที่ทตัวไหวเลยแล้วไ่หายไปเป็นอที่ตบบเผาได้แล้วก็มีแบบนีนม ลบล่างคอนขัวเกิดหายไปทานคนดีท่านคิดท่งใจจริงติดเชื่อับพทุกคนเล่นหน้าก็นนี่แหละแทนท้ายควนขัวมาหน่อยสำนักคนนี่อาดานยตัวไหม